จะมบทแปลเรื่องที่137เรื่องภิกษุหนุ่มข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าฮีนังธรร ม, มังเป็นต้นตอนภิกษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา ได้ยินว่าพระเถระรูปใดรูปหนึ่งพร้อมทั้งภิกษุหนุ่มได้ไปสู่เรือนของนางวิสาขาแต่เช้าตรู่ข้าวต้มประจำย่อมเป็นของอันเขาตกแต่งไว้เป็นนิดเพื่อภิกษุประมาณ500รรูปในเรือนของนางวิสาขาพระเถระฉันข้าวต้มแล้วให้ภิกษุหนุ่มนั่งอยู่บนเรือนของนางวิสาขานั้นส่วนตนได้ไปเรือนหลังอื่น ก็โดยสมัยนั้นทิดาของบุตรของนางวิสาขาตั้งอยู่ในฐานะของย่าทําการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายนางกรองน้ำเพื่อภิกษุหนุ่มนั้นเห็นเงาหน้าของตนในตุ่มจึงหัวเราะแม้ภิกษุหนุ่มมองดูนางแล้วก็หัวเราะนางเห็นภิกษุหนุ่มนั้นหัวเราะอยู่จึงกล่าวว่าคนหัวขาดย่อมหัวเราะ ลำดับนั้นภิกษุหนุ่มด่านางว่าเธอก็หัวขาดถึงมารดาบิดาของเธอก็หัวขาดนางร้องไห้ไปสู่สำนักของญาในโรงครัวใหญ่เมื่อนางวิสาขากล่าวว่านี่อะไรแม่จึงบอกเนื้อความนั้นนางวิสาขานั้นมาสู่สำนักของภิกษุหนุ่มแล้วพูดว่า ท่านเจ้าค้าอยากโกรธแล้วคำนั้นเป็นคำไม่หนักนักสำหรับพระผู้เป็นเจ้าผู้มีผมและเล็บอันตัดแล้วผู้มีผ้านุ่งผ้าห่มอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดณท่นะามกลางเที่ยวไปอยู่เพื่อพิษาภิกษุหนุ่มพูดว่าเอออุบาสิกา ท่านย่อมทราบความที่อาตมาเป็นผู้มีผมอันตัดแล้วเป็นต้นการที่หลานของท่านนี้ด่าท้าอาตมาว่าผู้มีหัวขาดดังนี้จะควรหรือนางวิสาขาไม่ได้อาจเพื่อให้ภิกษุหนุ่มยินยอมเลยทั้งไม่ได้อาจเพื่อให้นางธาริกายินยอมขณะนั้นพระเถระมาแล้วถามว่า นีอะไรกันอุบาสิกาฟังความนั้นแล้วเมื่อจะกล่าวสอนภิกษุหนุ่มจึงพูดว่าผู้มีอายุเธอจงหลีกไปหญิงนี้ไม่ได้ด่าต่อเธอผู้มีผมเล็บและผ้าอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดในถ้ำกลางเที่ยวไปอยู่เพื่อพริษ า, ษาเธอจงเป็นผู้นิ่งเสียภิกษุหนุ่ม อย่างนั้นขอรับท่านไม่คุกคามอุปถายิกาของตนจะคุกคามกระผมทำไมการที่นางด่า ก, กระผมว่าผู้มีหัวขาดจะควรหรือขณะนั้นพระสัสดาเสด็จมาตรัสถามว่านี่อะไรกันนางวิสาขากราบทูลประพฤติเหตุนั้นตั้งแต่ต้นตอน ประศัสดาประทานโอวาทแก่ภิกษุหนุ่มประศัสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของภิกษุหนุ่มนั้นแล้วจึงทรงดําริว่าเราคล้อยตามภิกษุหนุ่มนี้จะควรดังนี้แล้วจึงตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขาก็ธาริกาของท่านดาธรรมสาวกทั้งหลายของเราให้เป็นผู้มีศีรษะขาด ด้วยเหตุสักว่ามีผมมันตัดแล้วเป็นต้นนั้นแลควรหรือภิกษุหนุ่มลุกขึ้นประคองอัญชลีในทันใดนั่นแลกราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระองค์ย่อมทรงทราบปัญหานั่นด้วยดีอุปชาของข้าพระองค์และมหาอุบาสิกาย่อมไม่ทราบด้วยดีพระสัสดา ทรงทราบความที่พระองค์เป็นผู้อนุกูลแก่ภิกษุหนุ่มแล้วตรัสว่าชื่อว่าความเป็นคือหัวเราะปราลรบกามคุณเป็นธรรมเลวอนหนึ่งการเสพธรรม ท, ที่ชื่อว่าเลวและการอยู่ร่วมกับความประมาทย่อมไม่ควรจึงตรัสพระคาถานี้ว่าหีนังทำหมังนาเซวิยะปะมาเดนะนะสั่งวเส มิชาดิทิงนาเซว ย, ยะณสยาโลกวัฒโนบุคคลไม่พึงเสพธรรมเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าฮีนังธรร ม, มังได้แก่ธรรมคือเป็นจั ก, ก ร, รมคุณ แท้จริงธรรมคือเบญจ ก, ก ร, รมคุณนั้นอันชนเลวโดยที่สุดแม่อูดและโคเป็นต้นพึงเสพธรรมคือเบญจ ก, กรรมคุณยอมให้สัตว์ผู้เสภบังเกิดในฐานะทั้งหลายมีนรกเป็นต้นอันเลวเพราะเหตุนั้นธรรมคือเบญจ ก, กรรมคุณนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมเลวบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวนั้นบทว่า ประมาเดนะความว่าไม่พึงอยู่ร่วมแม้ด้วยความประมาทมีอันปล่อยสติเป็นลักษณะบทว่านะเซเวยะได้แก่ไม่พึงถือความเห็นผิดบทว่าโลกวัฒโนความว่าก็ผู้ใดทำอย่างนี้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นคนรกโลกเพราะเหตุนั้นไม่พึงเป็นคนรกโลก เพราะไม่ทำอย่างนั้นในการจบเทศนาภิกษุหนุ่มตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องภิกษุหนุ่ม